ทีนี้อีกประการหนึ่งนะครับพิกษุกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตต์อันหาอาสะวะไม่ได้เพราะอาสะวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่เธอได้บรรลุวิชาที่สามนี้กำจัดอวิชาได้แล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วกำจัดความเมื่อดได้แล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วสมเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่ดูก่อนพิสูุนทั้งหลาย เราย่อมบัญญัติบุคคลผู้ได้วิชาสามว่าเป็นพรามโดยธรรมย่อมไม่บัญญัติบุคคลอื่นว่าเป็นพรามโดยเหตุเพียงกล่าวตามคำที่เขากล่าวไว้แล้วอย่างนี้แลเราผู้ระลึกถึงชาติก่อนได้นะคือในคาทานะองค์ตรัสว่าเราเป็นผู้ระลึกถึงชาติก่อนได้เห็นทั้งสวรรค์และอบายและถึงความสิ้นไปแห่งชาติเป็นมุนี ผู้อยู่จบพรหมจรรย์เพราะรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นผู้มีตรายศขาด้วยวิชาสามว่าเป็นพรามณ์เราไม่กล่าวบุคคลอื่นผู้มีการกล่าวตามที่เขากล่าวไว้แล้วว่าเป็นพราหม์นะครับไม่ได้ว่าเออนี่นะใครที่ ท, ทรงปลายเพศแล้วเรียกว่าพราม์นะนั้นพรามณ์ในคําสอนก็คือผู้ได้วิชาสามนะครับคือระลึกชาติได้เห็นสัตว์เกิดสัตว์ ต, วตายแล้วก็ทําอาสวะทั้งหลายให้หมดสิ้นไปนะครับ แต่ในเทระคาถาเนี่ยบางบางครั้งก็เรียกวิชาสามเนี่ยว่าตรัยเพศอย่างนี้ก็มีใช่ั้ยครับคือเอาสำนวนเขามาใช้เรียกเพศก็ <3 S 2> เวทอันเดียวกันนะครับตรเวทะนะเวทนั้นก็หมายถึงวิชาที่วิชาความรู้นะ<ม>ความรู้สามอย่างก็อันเดียวกันนะครับแต่หมายว่าตรัยเพศนี้ก็ถ้าของลัทธิทั่วไปเาก็เป็นชื่อของคำพีของเขาอ่ะนะ ที่คำพีที่ไปท่องไปสาธยายว่าจบคัมพีนั่นมาจบคำพีนี่มาเรียกว่าคนจบตรายเวทจบตรายเพศนะครับทรงสามคำพีอะไรเงี้ย น, น, <ukan S 1> นะก็ลักษณะแบบนั้นนะครับแต่ว่าเรื่องของตรายเพศนั้นนะครับเป็นค่อยคําที่จะต้องอผู้ที่มีความฝักใฝ่ที่จะเรียนรู้ก็เนี่นะครับพวกวยากรสนสังสเกตทั้งหลายก็นับเนื่องด้วยในตระกูลของตรายเพศด้วยนะครับแต่ว่าวิชาทั้งหลายเหล่านั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อวิ ว, วัตตะอะไรนะครับไม่ได้เป็นไปเพื่อวิวัตตะอะไรก็ นี้ต่อไปนะครับว่าอัตตกถาธรรมสูตรบทว่าทมเมนะได้แก่ยายธรรมคือโดยเหตุโดยกรณะกล่าวคือสัมมาปฏิบัติอธิบายว่าภิกษุย่อมเป็นผู้ได้วิชาสามด้วยปฏิปทาใดปฏิปทานั้นพึงทราบว่าธรรมะในอธิการนี้นะครับเชื่อว่าโดยธรรมนะหมายความว่าวิชาสามเนี่ยนะจะบรรลุได้โดยธรรมนะ ก็ปฏิปทานั้นคืออะไรคือจรณสัมปทาและวิชชาสัมปทานะครับปฏิปทาที่จะทําให้ระลึกชาติได้นี่นะครับคือจรณะและวิชชานั่นเองนะครับบทว่าเตวิชังความว่าประกอบแล้วด้วยวิชชาสมีปุเพนิวาสานุสติยานเป็นต้นนะครับ1ปุเพนิวาสานุสติยานระลึกชาติได้ 2. องจุตูปปาตยานเห็นสัตว์เกิดสัต์ตาย3อาสวัคคายานคือวิชชาในอริยมรรคเรียพนนะครับ ที่สา ม, มารถทำอาสะวะทั้งหลายให้สิ้นไปบทว่าบรมมนังได้แก่พรามผู้ลอยบาปแล้วบทว่าปัญญาเปมิความว่าให้รู้ทั่วคือแต่งตั้งให้เป็นพรามบทว่านานยังลปิตะลาปณะมัตเตนะความว่าเราจะถาคตไม่บัญญัติคนอื่นคือผู้เป็นพรามเพียงโดยกำเนิด ว่าเป็นพรามณ์โดยเหตุเพียงการกล่าวตามที่อัตกะฤศีเป็นต้นเรียกขานแล้วนะครับคืออัตกะฤศีเป็นต้นเนี่ยเขาเป็นคนเรียบเรียงคัมภีไตรเพศขึ้นนะครับไม่ได้ว่าไปเรียนคัมภีแบบนั้นแนละจึงเรียกว่าพราหมนะอีกอย่างหนึ่งบทว่าลปิตะลาปณะมัเตนะความว่าด้วยเหตุเพียงเล่าเรียนหรือให้เล่าเรียนมนทั้งหลาย ก็พราหมงทั้งหลายเรียกขานผู้ใดที่มีวิชาสามเพราะการเล่าเรียนหมวดสามแห่งพระเวทมีสามเวทเป็นต้นว่าเป็นพราหมณ์นะครับคือนี่แบบลัที่พราหมณ์นนะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงคัดค้านคําของพราหมณ์นั้นแท้จริงโดยประมาทแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปรารบเทศนานี้ไว้ตามอัธยาศัยของผู้ที่จะตรัสรู้อย่างนั้นนะครับที่ที่ทพระ อ, องค์มาปฏิเสธเนี่ยหมายความว่า จะมีผู้บรรลุธรรมเพราะการปฏิเสธในลักษณะนี้เป็นต้นนะครับพระองค์ก็จะแสดงตามนั้นไปคือเพื่อจะทรงแสดงว่าก็พรามโพวาทีเหล่านั้นนะครับผู้อนวิชาหุ่มหอแล้วเรียกขานพรามผู้ไม่มีวิชาสามเลยว่าเป็นพรามผู้มีวิชาสามแต่ผู้มีวิชาตามที่กล่าวแล้วจึงจะชื่อว่าเป็นพราม นะก็คือพราหม์แท้กับพราหมณเทียมนะครับมีวิชาสามแท้กับมีวิชาสามเทียมมีวิชาสามเทียมก็คือเนื้อนะครับจบปลายเพศนั่นเองนะครับส่วนผู้ที่มีวิชาแท้ก็ต้องคือผู้ที่ระลึกชาติได้เห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายแล้วก็สามารถทําอาสวะกิเลสทั้งหลายให้หมดสิน้นในอธิการนั้นเพืงทราบวินิจฉัยดังนี้เพราะผู้ที่ถึงพร้อมด้วยวิชาย่อมเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจารณะโดยแท้ เพราะเว้นจารณสมบัติเสียแลว้วจะมีวิชาสมบัติไม่ได้นะครับคือจารณะอ่นนะนะที่ปวดพุทธคุณว่าวิชาจารณะสัมปันโนนะครับวิชาจะบริบูรณ์ได้ก็อาศัยจารณะถ้าไม่มีจารณะที่บริบูรณ์วิชาจะเกิดไม่ได้เนี่ยนะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระประสงค์จะทรงบัญญัติพรามโดยหัวข้อคือวิชาเท่านั้นกระทำจารณะสมบัติให้อย่างลงสู่ภายใน ทรงตั้งหัวข้อเทศนาไว้ว่าธทำเมนาหังพิกเวเตเวิชังบ ร, รัมมาังปัญญาเปมิดูก่อนพิสูุนทั้งหลายเราย่อมบัญญัติบุคคลผู้ได้วิชาสามว่าเป็นพราหมณ์โดยธรรมนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นพราหมณ์อย่างแท้จริงนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีวิชาและจรณะเพราะว่าวิชาจะบรรลุขึ้นได้ก็ต้องอาศัยจรณะในจรณะทั้งหลายนั้นมีอยู่15ข้อนะครับ เจรณะสิข้อหรือว่าเป็นข้อประพฤติข้อปฏิบัติเนี่ยนะครับก็คืออย่างแรกเลยก็เรียกว่าศีลสังวรนะครับความบริสุทธิ์ของศีลนะอย่างที่2ก็คืออินทรีย์สังวรนะครับสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ไปกับบาปอากุศลก็3โภชเนะมะตันยุตารู้จักประมาณในการบริโภคนะรวมถึงรู้จักประมาณในการแสวงหาด้วยรู้จักประมาณในการรับในปัจจยัย4นะครับยกโภชชนะเป็นประธานแล้วก็ส ข้อที่สี่ก็คือชาคริยานุโยกนะครับมันเป็นผู้ประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นนะครับไม่เห็นแกนอนมากเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ปล่อยจิตปล่อยใจให้ไหลไปกับบาปอากุศลมันชําระจิตของตนให้ปราศจากนิวรณ์ทั้งหลายนะครับแล้วก็ประกอบไปด้วยศรัทธาเป็นผู้ที่มีศรัทธาโดยเฉพาะตะถาคตโทธิศรัทธานี่ต้องมั่นคงจริงๆนะครับกรรมสกตาศรัทธาก็ต้องอย่างดีแล้วก็มีฮิริมีศรัทธามีศีล น, นะครับศีลก็คือ เหมือนกับที่เคยกล่าวไปแล้วนะครับสีลสังวรหิริโอตา ป, ปะนะครับมีฮิริโอตา ป, ปะอย่างแรงกล้าะละอายต่อบา ป, ปรกรรมทั้งหลายเกรงกลัวต่อความชั่วทุกชนิดนะครับแล้วก็ต้องมีเป็นผู้ที่มีเป็นผหูสูตนะครับได้ฟังได้ร่ำเรียนมามากนะครับโดยเฉพาะผหูสูดในทางปริยัติเนี่ยนะครับศึกษาพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคมาเป็นอย่างดีขณะเดียวกันก็ต้องเป็นผู้ที่มีสตินะครับระลึกถึงสิ่งที่ทำคําที่พูดแม่นานได้ แล้วก็มีความภาคเพียรพยายามอุตสาหะอย่างแรงกล้านะครับเพื่อนผู้มีทีเป็นผู้มีปัญญาอย่างถึงเหตุเกิดและความดับเป็นต้นนะครับแล้วก็ยังประกอบไปด้วยปฐมฌานทุติยฌ า, านตัติยฌ า, านและจตุทฌานคําว่าจตุทฌานนั้นอมความถึงอรูปฌานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่มีคุณธรรมในลักษณะนี้จึงจักได้สามารถทำวิชาได้นะครับเพราะคําว่าจตุทฌานเนี่ยนะครับแบ่งออกเป็นส่วนที่เป็นรูปฌานและอรูปฌานด้วยนะครับ ทนี้ต่อไปนะครับแล้วก็พระองค์กะระทาเป็นกระเทตุกรรมมยตาปุจชาว่ากระทันจาหังพิขเวธรมเมนะเตวิชังบรมนังปัญญาเปมิดูก่อนพิสูนทั้งหลายก็เราตถาคตบัญญัติผู้ได้วิชาสามว่าเป็นพรามโดยธรรมถามว่าเป็นอย่างไรดังนี้แล้วเมื่อจะทรงแสดง ทรงจำแนกหมวดสามแห่งวิชาโดยเทศนาที่เป็นปุคลาที่ฐานนะเจ้าพงยังตรัสคำเมียที่ว่าอิทาพิขเวพิขุเป็นต้นนะครับมันก็ขออ่านคำว่าปุเพนิวาสารุสติยานซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าดู่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากนะครับคือชาติหนึ่งบ้าง2ชาติสามชาติ4ชาติ5ชาติบ้าง สิบชาติยี่สิบชาติสามสิบสีบส่บสิบห้าสิบชาติบ้างร้อยชาติพันชาติแสนชาติบ้างตลอดสังวัตกับวิวัตกับเป็นอันมากบ้างตลอดวิวัตกับสังวัตกับเป็นอันมากบ้าง ว่าในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีโคดอย่างนั้นมีผิวพันธุ์อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสรษฐสุขเสวยฐุทุกอย่างนั้นอย่างนั้นมีกําหนดอายุเพียงนั้นก็จุติจากภพนั้นแล้วไปเกิดในภพโน้นก็แนวเดียวกันนะครับจากภพหนึ่งสู่ภพหนึ่งจากภพหนึ่งสู่ภพหนึ่งเนี่ยนะแต่ละภพที่ไปเกิดเนี่ยมีชื่ออย่างไรมีโคดมีผิวพันธุ์มีอาหารสุขทุกขขนาดไหนหรือว่ามีอายุเท่าไหร่เป็นต้นเนี่ยนะก็สามารถที่จะระลึกได้ทั้งหมดเลย ในบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอาเนกวิหิตังความว่ามีอย่างไม่ใช่น้อยหรือเป็นไปแล้วคือพนานนาแล้วโดยอนเนกประการนะครับคือระลึกชาติได้เป็นอันมากะนะบทว่าปุเพนิวาสังได้แก่ขันทสันดาลที่ตนเคยอยู่อาศัยแล้วในพบนั้นๆเริ่มต้นแต่พบที่เป็นอดีตอันหาระหว่างขั้นไม่ได้คือหมายถึงชาติที่แล้วนะชาติที่แล้วเนี่ยนะ ถอยหลังไปหนึ่งชาติชาติที่แล้วเนี่ยทำอะไรบ้างมีชื่อนามสกุลเป็นต้นเนี่ยนะครับรูปร่างหน้าตาผิวพรรณอาหารสุขทุกขแค่ไหนนะครับอายุเท่าไหร่แล้วก็ระ ล, ลึกถอยเข้าไปอีกถอยเข้าไปถอยถอยถอ ย, ถอ ย, ถอยไปอย่างนี้นะครับบทว่านิวุถังความว่าอันตนเคยอยู่อาศัยแล้วคือเป็นมาแล้วตามลำดับได้แก่ขันที่เกิดแล้ว ดับไปในสันดานของตนคือของตนเนี่ยหมายของว่าภายในอะนะไม่ใช่ของคนอื่นแต่หมายถึงระลึกของของตัวเองอะนะที่เกิดแล้วก็ดับไปที่มันหมดไปแล้วะนะเกิดจากกรรมเป็นต้นที่มันหมดไปแล้วอีกอย่างหนึ่งได้แก่ขันมีการอยู่อาศัยแล้วเป็นธรรมดาคือว่าขันที่ตนเคยอาศัยแล้วโดยโคจรเป็นที่อยู่อาศัยได้แก่ขันที่รู้แล้วด้วยวิญ ญ, ญาณของตนหรือที่รู้แล้วด้วยวิญญาณของผู้อื่นเพราะการระลึกถึง การหมุนเวียนที่ขาดไปแล้วเป็นต้นนะครับหมายคําว่าคือระลึกทั้งของตัวเองด้วยนะครับว่าของตัวเองเนี่ยเป็นอย่างไรเคยอยู่เคยยังไงไปรู้จักใครเป็นต้นมาบ้างก็รู้หมดนะครับหรือแม้กระทั่งขันของคนอื่นนะครับขันของคนอื่นผู้ดับขันปริณิพานไปแล้วเช่นพระพุทธเจ้าก็จะลึกระลึกได้ว่าพระพุทธเจ้าองค์ก่อนหน้านั้นเนี่ย น, น, นะครับมีอายุอย่างไรมีชื่อมีนามสกุลมีอาหารมีรูปร่างสเสวยสุขทุกขอย่างไรเป็นต้นเนี่ยนะครับ ดับขันปรินิพานพราะบรรลุทำอะไรมีสาวกแค่ไหนอะไรยังไงพระ อ, องค์ก็ละลึกได้หมดนะครับระลึกได้แม้กระทั่งของพระพุทธเจ้าด้วยกันนะครับของคนอื่นๆพระ อ, องค์ก็ละลึกได้ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นไม่ใช่ระลึกได้เฉพาะของพระ อ, องค์อย่างเดียวนะครับระลึกได้แม้กระทั่งของคนอื่นทั้งหมดนะนะบทว่าอนุสรติความว่าตามละลึก คือโดยลำดับชาติอย่างนี้ว่าชาติหนึ่งบ้าง2ชาติบ้างหรือได้แก่ระลึกเนืองเนืองคือเมื่อจิตโน้มไปแล้วย่อมระลึกในลำดับแห่งบริกรรมแค่นึกประสงค์จะรู้อะไรเนี่ยระลึกได้ทันทีเลยนะครับถ้าของพระพุทธเจ้านี่หายใจเข้าเฮ้ยหายใจออกเนี่ยระลึกได้91กลับนะครับอันนี้สบายๆเล ย, ย่า ง, งั้นแค่หายใจเข้าออกนี่นะเฮ้เดียวเนี่ยนะเก้ากลับเลยนะครับ เท่านั้ลระลึกทั้งวันเนี่ยนะจะได้ขนาดไหนนะไม่มีจบมีสิ้นนะครับความรู้มหาศาลนะครับถ้าคนธรรมดาทั่วๆไปเนี่อรู้ขนาดนี้ฟุ้งซ่านตายนะครับถ้าไม่มีสมาธิไม่มีอะไรนะเหมือนกับคนที่อ่านข่าวสารข้อมูลเนี่ยนะครับวางใจไม่เป็นเนี่ยนะอาน่านหนังสือพิมพ์ทั้งโลกเลยนะหมายความว่าเป็นคนที่มีความสา ม, มารถอา่านหนังสือพิมพ์รู้ของทั่วประเทศเนี่ยนะทั่วโลกเนี่ยนะมันนั่งอ่านรู้ไปหมดพร้อมกันเลยถามว่าจะฟุ้งซ่านขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นเออความรู้บางอย่างก็เหมาะกับ แต่บางคนเท่านั้นเองนะครับรู้บางอย่างนี่ก็ไม่ได้เหมาะกับหลายคนนะครับเพราะว่ารู้ไปแล้วบางทีก็ไม่สามารถรักษาสติสตังเอาไว้ได้อะไรนะครับรู้แล้วก็ฟุ้งซ่านเดือดร้อนใจปเปล่าๆก็มีแต่นี้รู้แล้วเนี่ยนะครับพระองค์มีฌานเป็นพื้นเป็นบาตก็เลยไม่ฟุ้งซ่านอะไรนะครับถ้าดูจะฟุ้งแล้วก็มาเจริญฌานนี่ใหม่นะครับแล้วก็สลับกับการพิจารณาไปเพราะจุดมุ่งหมายของการเจริญวิชาทั้งหลายเหล่านี้ก็เพื่อให้เห็นภัยของขันธธาตุอายตนะนั่นเองนะครับเพื่อที่จะ ไม่มีตันหาอุปาทานในขันทัดอายตนะเหล่านั้นนะคบเพื่อจะได้หรื อ, อสังสารวัฏทิ้งซะนะครับจะได้ข้ามพ้นสังสารทุกเหล่านี้สักทีหนึ่งบทว่าสยธิทางเป็นิบาตใช่ในอัดแสดงอัดที่แสดงถึงอาการที่ปรารพแล้วบทว่าสยธิทางนั่นแหละพระผู้มีพระภาคเจ้า นะครับเพื่อจะทรงแสดงอาการแห่งปุเพนิวาสยานนี้ที่ชื่อว่าเป็นอันพระโยคาวาจรปรารบแลว้วจึงตรัสคำเมียที่ว่าเอกังปิชาติงดังนี้บรรดาบทเหล่านั้นบทว่าเอกังปิชาติง น, นะว่าแม้ชาติหนึ่งบ้างเนี่ยนะหมายถึง ขันธสันดานแม้อันหนึ่งซึ่งมีปฏิสนธิเป็นมูลนะครับแรกเริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิที่มีจุติเป็นปริโยสารนับเนื่องแล้วในพบหนึ่งคือในชาติหนึ่งนะตั้งแต่แรกเกิดยันตายเลยเรียกว่าหนึ่งชาตินะครับตั้งแต่เกิดจนถึงตายเลยนะแรกเริ่มจนจบเลยนะหนังม้วนเดียว น, นะแรกเริ่มฉายก็ไปนจนจบม้วนเลยลักษณะนั้นเรียกว่าเนื้อชาติงนั้นทีนี้ในหนึ่งชาติเนี่ยนะครับ สชาติ3ชาติ4ชาติเนี่ยนะมันแต่ละชาติเนี่ยไม่เหมือนกันเนื่องจากกรรมที่เป็นเหตุให้เกิดในชาตินั้นๆเนี่ยเป็นกรรมที่แตกต่างกันเพราะว่าเมื่ออาศัยอยู่ในชาติหนึ่งแล้วไปทํากรรมอะไรบ้างครับอย่างเช่นของพวกเราทั้งหลายใช่ไหมมาเกิดในชาติอย่างนี้แล้วเนี่ยนะก็แรกเริ่มเลยก็นับตั้งแต่ปฏิสนธิไปอีกวันหนึ่งก็คือครั้งที่จุติระหว่างเนี่ยทำกรรมอะไรบ้างนะครับมันชาติอันใหม่ต่อไปก็เนื่องด้วยกรรมที่ที่ทํานี่แหละนะครับทำในชาตินี้เลยแหละ นะนมันจะประโมดพยากรได้แล้วใช่ไหมว่าควรจะเกิดที่ไหนดียังไม่พยากร์อะไรลักกลางเลยนะพยากรไม่ได้ อ, อ่พ อ, อพยากรไม่ได้ไม่ใช่ไม่อยากะนะก็ต้องดูนะครับว่าศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาคู่ควรหรือนะยังถ้าไม่คู่ควรก็ต้องยังบ่แน่นอนกั น, นะครับมันก็ต้องเจริญจนกว่าจะมั่นใจว่าอบายทุกติวินบาตินรกไม่ไปแน่นอนนะเห็นไหมที่เขาเจริญอ น, อนุสอะไรนะเทวตานุสติ เทวดาเราได้ในชั้นจ่าตุมมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเราก็มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแบบนั้นนะครับเทวดาดาวดึงมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเราก็มีนะครับหรืออีกในหนึ่งเขบอกว่าเทวดาชั้นจาตุมมีศรัทธาสินสุตะจ่าฆ่าปัญญาเราก็มีแบบนั้นเหมือนกันนะครับเทวดาชั้นดาวดึงทั้งหลายมีศรัทธาสินสุตะจ่าค่าปัญญาเราก็มีเทวดาชั้น ยามานี่นะครับประกอบไปด้วยศรัทธาวิรยิยสติสมาธิปัญญาศรัทธาแบบนั้นเราก็มีเทวดาชั้นดุสิตชั้นนิมมานารดีปณิมมิตตวสวัตตีเนี่ยนะมีคุณธรรมเราได้นะไม่ว่าจะเป็นศรัทธาศินสุตาจาระปัญญาเราก็มีหรือถ้าหากว่าได้ฌานก็พูดถึงพรหมได้เลยนะครับพรหมเราได้มีศรัทธาศินสุตาจาะระปัญญาเราก็มีแบบนั้นนะนะนึ่นก็ไล่ไปเรื่อยจนถึงสุท่าวาดพรหมเหมือนกันครัเป็นพระนาคามีก็จเจริญแบบนี้สบายๆนะครับ นะธรรมดาก็จาตุ้มนะเทพชั้นจาตุมมีคุณธรรมเราได้ไมาใช่แหมไปเหมือนกับเล่นอะไรนะปานแปะนะว่าจะออกโต้หรือออกก้อยเนะาะเวลาใกล้จะจุตินะครับเนี่ยนะครับนะเอาเหรียมาหมุนแล้วก็มาเสียงดวงเอาเวลาใกล้จะตายเนี่ยนะครับแหมเสียชะเสียเชิงหมดนะครับเสียทีหมดเลยนะแหมดูที่ว่าใกล้จะตายจะเป็นบุญหรือเป็นบาปคติที่ไปก็ดูเวลาใกล้กลตายเอาก็แล้วกัน ถ้าอย่างงี้แหมเข้ามาสู่สนามการค้าบุญแท้ๆนะครับยังกําหนดไม่ได้เอางี้นะถ้าถามง่ายๆว่าในวงการนักธุรกิจทั้งหลายเนี่ยเขาเลือกบ้านอยู่ได้ไหมครับถ้าทําการค้าประสบความสําเร็จเนี่ยเนีเขาเลือกซื้อบ้านได้ใช่ไหมครับจังหวัดไหนเขาจะอยู่จังหวัดไหนก็ได้จะเลือกซื้อที่ในกรุงเทพจะเอาตึกคอนโดสูงๆก็ได้นะครับถ้าประสบความสําเร็จในด้านธุรกิจใช่ไหมถ้าเขาประกอบการทาํามาค้าขายอย่างถูกต้องแล้วนะั่นนะ สามารถเลือกได้นี่เราก็มาค้าศรัทธาค้าศีลค้าสุตะค้าจารค้าค้าปัญญาเนี่ยนะไม่อาจจะเลือกพบปฏิสนธิไม่ได้เลยเชยวรืนะครับถ้าไม่ได้ก็น่าจะมีปัญหาเอ๊ะมันผิดพลาดยังไงหรือว่านี่ศีลมันเยอะนะครับนะหรือ บ, บริหารธุรกิจผิดพลาดหรือเปล่าคขาสุตะหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะครับก็ต้องมาเช็คมาตรวจสอบนะเพราะฉะนั้นวิธีตรวจสอบก็เจริญเทวตานุสติดูนะครับนะครับ อขนาดนั้นเลยแหละครับกลัววัตตะขนาดนั้นเลยอ้หสาทุนะครับกลัววัตตะขนาดนั้นก็นุโมทนาเตยนะครับสุดท่าวาดยังกลัวเลยนะครับแสดงว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับสาทุสาธุนะกลัวจริงๆเต้ <c oughs> กลัวเทวดาแต่ชอบดอกไม้มาใหม่มันก็อยากกะเช้าแล้วเกิน น, นะ <c oughs> น่ะนะเทวดาบอกเอาเห็นแต่ดอกไม้นี่งามไปหมดเลยนะ แย่ yeah, ละเพิ่งทราบวินิจฉัยในบทว่าอเนเกปิสังวัตกับเปดังต่อไปนี้กับที่เสื่อมชื่อว่าสังวัตกับกับที่เจริญชื่อว่าวิวัตกับในกับทั้งสองอย่างนั้นสังวัตตถายีก ah ับทรงถือเอาแล้วด้วยสังวัตกับวิวัตตถายีกับ ah ทรงถือเอาแล้วด้วยวิวัตกับเพราะมีสังวัตกับนั้นเป็นมูลนะครับ ก็อาสงไขเป็นเช่นนี้คืออสงไขเนี่นะครับอสงไขกับนี่มี4อย่างที่พระ อ, องค์ตรัสไว้ว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายอาสงไขกับเหล่านี้มี4ีสอย่างคืออะไรบ้างคือสังวัตตกับหมายถึงระยะการที่จักรวาลเริ่มถูกทําลายด้วยไฟด้วยน้ําหรือด้วยลมทุกสิ่งในจักรวาล น, นะครับสลายไปสู่ธาตุเดิมย่อยยับไปไม่มีเหลือนะครับเป็นแต่ฝุ่นกระจายไปหมดเลยแต่ตั้งแต่ ตั้งแต่ไฟทำลายเป็นต้นเนี่ยจนไม่เหลืออะไรเลยนะครับเรียกว่าสังวัตกับส่วนสังวัตถาหยีกับก็คือระยะที่ไม่มีอะไรจนไปถึงเริ่มกำเนิดของสิ่งต่างๆนะครับธาตุทั้งหลายเริ่มก่อตัวขึ้นใหม่วิวัตกับก็คือระยะการที่เริ่มก่อตัวขึ้นใหม่นะครับตั้งแต่ก่อตัวเนี่ยนะของสิ่งทั้งหลายจนทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาล น, นีจเจริญเต็มที่นะครับนี่เรียกว่า วิวัตกะปับส่วนวิวัตตัถายีกรับก็คือระยะที่จักรวาลสมบูรณ์เรื่อยนะครับจนเสื่อมสลายอีกครั้งหนึ่งอย่างนี้เขาเรียกว่าวิวัตตัถายีกรับอาสงไขกระับเหล่านั้นย่อมเป็นอันพระองค์ทรงกําหนดถือเอาแล้วในอาสงไขกับ4อย่างเหล่านั้นนะครับสังวัตะปับสังวัตกะปับก็บคือกรับที่จะเสื่อมหรือกรับที่ถูกทําลายเนี่ยนะ มี3อย่างคือเตโชสังวัตกับทําลายเพราะไฟนะครับอาโปสังวัตกับถูกทําลายเพราะน้ำวายโยสังวัตกับนะครับทําลายเพราะลมทีนี้เขตแห่งการถูกทําลายเนี่ยนะครับสังวัตกับมี3อย่างคือบงท่าด้วยไฟก็จนถึงอาพัสระพรมนะครับท่าด้วยน้ําก็ถึงสุภกินหะพรมถ้าหากว่าไปจนถึงท่าด้วยลมเนี่ยนะครับทําลายไปจนถึงเวหัพลาพรมนะครับ แต่ว่าโดยพิสดารนะครับแสนจักรวาลย่อมพินาศกันหมดเลยนะครับแสนจักรวาล น, นี้ไม่มีเหลือเลยนะครับถูกไฟน้ำลมทำลายหมดเรื่องเลยภิกษุเห็นปานี้เมื่อจะระลึกถึงขันที่ตนเคยอยู่อาศัยมาก่อนดังธนนานามานี้ย่อมระลึกได้สังวัตตกับบ้างละหลายวิวัตตกับบ้างหลายสังวตวิวัตตกับบ้างย่อมระลึกไปย่อมระลึกได้โดยในเป็นต้นว่า อมุตตาสิงห์บรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอมุตตาสิงห์เนี่ยนะครับว่าเราได้เกิดมีแล้วในสังวัตกำโนุนหรือในภพนุนหรือในกําเนิดโนุนหรือในคติโน้นในวิญญาณทิติโน้นหรือในสัตวาโนุนหรือสัตตะนิกายโนุนนะครับคือมูสัตว์ประเภทนั้นๆ น, นะว่าเกิดเช่นในวัสังวัตกำปประเภทที่ถูกทาลายด้วยไฟอย่างเงี้ยนะ แล whoever, oh, ้วก็เออในพบเนี so many, story, ่ยนะพบคือการเกิดในการประพบรูปประพบหรืออรูปประพบหรือเกิดในกําเนิดเช่นเกิดในคันเกิดในไข่หรือเกิดในเท่าใครเป็นต้นนะหรือในคติคือนรกเปรตเดรัจฉานหรือว่ามนุษย์หรือเทวดาหรือวิญญาณทิติเช่นมีปฏิสนธิจิตเหมือนกันมีร่างกายต่างกันเป็นต้นเนี่ยนะครับหรือว่าในสัตว์ตาวาดก็คล้ายๆกับวิญญาณทิติหรือในสัตว์นิกายเป็นประเภทมนุษย์กลุ่มนั้นเทวดากลุ่มนี้เป็นต้นนะนะ เพราะฉะนั้นเขาจะระลึกได้ทั้งหมดเลยนะครับขอ้อกายครับเอ่อในสังวัตกับที่เรามีสามนะครับที่ว่าเตโชสังวัตริสสังวัตกะพอโปสังวัตกะพวายโยสังวัตกะพเนี่ยลักษณะการทําลายของธาตุไฟหรือว่าอโปเนี่ยที่ที่ว่าน้ําแล้วก็วาโยเนี่ยที่ว่าลมทําลายนี้มันทําลายยังไงครับใลองอธิบายตรงนี้นิดนึงก็ไม่อธิบายนะครับไปดูเอาใน อคันยสูตรหรือว่าไปดูในวิสุทธิมรรคนะครับตอนที่ปเุเพนิวาสารุสติยางเกี่ยวกับลึกชาติได้ น, นะครับบทว่าเอวังนามโมความว่าเราเชื่อว่าติดสระหรือมีเชื่อว่าปุตสะนะชื่อชาติโนนะมีชื่ออะไรบ้างนะครับเจนชาตินี้ชื่อสมบัติอย่างเงี้ยนะเอวังโคโตตระกูลอะไรนะโคตมะโคตหรือว่ากัสปะโคตนี่ก็นันทิโกโคตรหรือว่านันทิโคเหมือนกันนะ เอวังวันโนมีสีขาวหรือมีสีคล้ำเออไม่ขาวไม่คล้ำๆนี่ดำแดงบทว่าเอว่ามาหาโรความว่าเรามีข้าวสุกแห่งข้าวสาลีโอ้มีข้าวเหนียวแล้วมีเนื้อเป็นอาหารหรือว่าบริโภคผลไม้เป็นต้นนะครับเราแกงผักอย่างนี้นะบทว่าเอวังสุขทุกขะปฏิสังเวทีบอกเราเสวยสุขเสวยทุกนะครับเสวยขึ้นกลางวันเป็นทุกนะกลางวันร้อนกลางคืนหนาวอย่างนี้นะ ต้นนะครับทนานาหนาวทนานาร้อนหนาฝนเปียกปอนแฉะชื้นไปหมดหรือว่าเออเนี่ยนะสามมิตรสุกเออชาตินั้นเนี่ยหมกมุ่นในกามว่านีรามิตรสุกเจริญสมถาวิปัสสนามากเหมือนกันนะเป็นอนะสุขทางกายสุขทางใจโดยอาการมีใช่น้อยรู้หมดนะครับความรู้สึกนึกคิดในชาตินั้ น, น, นทั้งหมดนะครับนะบทว่า เอว่าอายุปริยัตโตเรามีอายุประมาณร้อยปีกับเป็นกําหนดนะชาตินั้นถ้าเกิดเป็นยุงก็เจวันชาตินั้นถ้าเกิดเป็นกระบือกก็ประมาณ10ปีนะถ้าเกิดเป็นเทวดาก็าอาจจะหลายปีหน่อยนะหรือว่ามีอายุแปดสิ0 0 0่นกับเป็นกําหนดนะครับเช่นไปเกิดเป็นพรมเป็นต้น น, นะถ้าเกิดเป็นยุงก็บอกกี่มือ้อ บทว่าโสตโตจุติอมุตระอุทะปาถิงความว่าเรานั้นคลั้นจุติจากพบจากกําเนิดจากคติจากวิญญาณทิติจากสัตว์ว่าหรือจากสัตตานิกายนั้นๆแล้วมาเกิดในพบในกําเนิดในคติวิญญาณทิติสัตว์ว่าหรือในสัตตนิกายชื่อนู้นนะครับนะตายจากนั้นไปเกิดที่อื่นอีกแล้วว่างั้นเถอะนะบทว่าตตราปาสิงความว่าหรือว่าเราเป็นเช่นนั้นมาแล้ว ได้กลับมามีพบในกำเนิดคติวิญญาณทิติในสัตวะ่าหรือในสัตตนิกายแม้นั้นอีกนะครับก็พอกลับมาเกิดใหมก่ก็ชื่อมีชื่อมีโคดมีผิวพรรณมีอาหารมีสุขมีทุกอายุในชาตินั้นตายจากชาตินั้นไปเกิดอีกที่นึงนะอย่าลืมว่าระหว่างนี้ทำกรรมตลอดนะแต่นี้พูดถึงลำดับความเป็นไปของขันที่สืบเนื่องนะให้เห็นสังสารวัตนะครับ อีกอย่างหนึ่งเพราะคำว่าเราได้มีแล้วในภพโนนนี้เป็นการระลึกถึงตามสมควรแกพ่พินิหารตามกำลังของตนของพโยคาวจรผู้พิจารณาเจริญขึ้นไปโดยลำดับอันนี้หมายถึงเช่นพระพระสาวกทั้งหลายเช่นพระมหากัสสปะท่านก็ระลึกไปจนถึงท่านตั้งความปรารถนาเพื่อเป็นเอตทัคคะในด้านทุดงถ้าพระนนท์ก็สามารถระลึกไปจนถึงตอนที่ท่านตั้งความปรารถนาเป็นพุทธอุปถาค นะครับหรือแม้กระทั่งพระอนุรุธท่านก็สามารถระลึกไปจนถึงตอนที่ท่านตั้งความปรารถนาเพื่อเพื่อให้มีตาทิพย์นะครับท่านเหล่านั้นก็ระลึกได้นะภาษารีบุตรก็ละลึกแม้กระทั่งตอนที่ท่านตั้งความปรารถนาเพื่อเป็นพระคราสาวกนะทัพโมกขลานะก็เหมือนกันนะครับท่านเหล่านั้นสามารถระลึกได้แบบนั้นคําว่าเรานั้นจุติจารพบนั้นแล้วนี้เป็นการพิจารณาของพระโยคาวจรผู้พิจารณาย้อนหลังนะครับจากนั้นมาเกิดอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นค่อยๆมาเรื่อยนะครับ ฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าบทว่าอมุตตะอุทธป า, าถิงเราได้เกิดในภพโนในลำดับแห่งการเกิดในภพนี้ว่าอิทูปปันโนเราเกิดแล้วในภพนี้บทว่าอุตระปาเสิงเราได้เกิดมีแล้วในภพเป็นต้นเนี่ยนะครับมีชื่ อ, อย่างนั้นนะชื่อทัตตะชื่อมิตตะหรือว่าโคตวาสิทะโคตหรือกัสปะโคตนะกันหะโคตเป็นต้นเนี่ยนะ วันโนผีผิวพันธ์สีดําสีขาวสีเหลืองกว่าไปดีวังอาหารโรมีข้าวสุกขนมสดขนมแห้งกว่าไปสุขะทุกขปะปฏิสังเวทิวได้ไปเกิดเป็นสุขเป็นทิพย์นะครับเกิดเป็นเทวดาหรือมาเกิดเป็นมนุษย์สุขทุกแบบมนุษย์ตกนรกก็ทุกแบบนร ก, กว่างั้นเนี่ยเอวามายุปริยันโตมีอายุเท่านั้นเท่านั้นนะเช่นนะถ้าหากว่าตอนที่แต่มีใบและลึกชาติก็โอ้ เป็นพระราชา20ปีตกนรก 80,000 ปีอย่างเงี้ยนะสามารถระลึกไปแบบนั้นนะครับบทว่าอีทูปปันโนความว่าเราเกิดเป็นมนุษย์ในภพสุดท้ายนี้คือมาชาติสุดนี้ชาสุดท้ายแล้วนะครับบทว่าสวะการังสอดเดสังความว่าพร้อมทั้งอุเทศด้วยสามารถแห่งชื่อและโคดเป็นต้นนะครับพร้อมทั้งอาการด้วยสามารถแห่งวั น, นะผิวพันเนี่ยนะครับชื่ออะไรรูปร่างแบบไหนอธิบายว่า สัตว์ทั้งหลายย่อมร้องเรียกกันว่าติดสะโคตมะโดยชื่อและโคตย่อมปรากฏโดยความแตกต่างกันเป็นคนผิวคล้ำเป็นคนผิวขาวโดยวั น, นะเป็นต้นฉะนั้นเกิดนามและโคตจึงเป็นอุเทศนอกนี้เป็นอาการนะครับบดว่าอยะมัสสะปฐมวิชาอาธิขตาความว่าวิชานี้ชื่อว่าที่หนึ่งเป็นวิชาที่ภิกษุได้บรรลุเป็นครั้งแรกคือวิชา ย, ย่อมชื่อว่า เป็นอันพิสุบรรลุแล้วกระทำให้แจ้งแล้วด้วยอัฏถาว่ากระทำให้ปรากฏถามว่าพิสุกระทำอะไรให้แจ่มแจ้งนะครับแต่ว่ากระทำปุเพนิวาสยานให้แจ่มแจ้งโมหะอันปกปิดเสียซึ่งวิชานั้นท่านเรียกว่าอาวิชชาเพราะอัฏถาว่ากระทำปุเพนิวาสยานนั้นแหละไม่ให้ปรากฏ ตโมโมหะนั่นแหละท่านเรียกว่าตามะความมืดเพราะอาถาว่าปกปิดไว้นะครับบทว่าอาโลโกวิวชานั่นแหละชื่อว่าอาโลกะเพราะอาถาว่ากระทําเพื่อแสงสว่างนะครับก็ในบทว่าอาโลโกนี้ความดังนี้ว่าวิชาอันภิสูจนนั้นบรรลุแล้วนะครับบทที่เหลือก็เป็นบทกล่าวยกย่องนะครับกล่าวยกย่องว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการประพฤติปฏิบัติเพื่อให้สามารถละลึกชาติได้ในลักษณะนี้นะครับ แต่คนที่จะทำได้นั้นก็ต้องเป็นผู้ที่ไม่ประมาทคือไม่อยู่ปราศจากสติมีความเพียรคือมีความเพียรอย่างกิเลสให้เร่าร้อนคือมากด้วยสัมปทานชื่อว่าผู้มีตนอันส่งไปแล้วนี่นะครับคือเรียกว่ามีใจเด็ดเดี่ยวนะคือมีจิตอันส่งไปแล้วเพราะไม่อะไรในร่างกายและชีวิตคนที่จะปฏิบัติที่สามารถละลึกชาติได้พวกนี้สละได้แม้กระทั่งชีวิตเพื่อการปฏิบัติครับ ท่านกล่าวคำอธิบายไว้ดังนี้เมื่อพิสูจไม่ประมาทมีความเพียรมีตนอันสงไปแล้วอยู่อวิชชาพึงถูกกำจัดวิชาพึงบังเกิดขึ้นความมืดพึงถูกกำจัดแสงสว่างเกิดขึ้นชันใดอวิชชาอันภิสูจนนั้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วความมืดอันพิสูจนนั้นกำจัดแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วฉันนั้นเหมือนกันเธอได้ผลอันสมควรแก่การตามประกอบความเพียรแล้ว อยู่นะครับคือสมควรแก่การปฏิบัติเพรา ะ, ะที่ระลึกชาติได้เนี่ยนะสมควรแก่การเจริญสมรรถะเป็นต้นนะครับที่เกื้อกูลต่อการระลึกชาติได้